พ้นดงต้นน้ำหมออันมีใบแหลมคมและหมู่ไม้ที่ขึ้นอยู่กับชายน้ำตัดมายัางอีกตลิงด้านหนึ่งภาพอันเป็นที่มาของเสียงก็ปรากฏขึ้นชัดเจนกับทุกสายตาที่จ้องอย่างตืง่นเต้นตกตะลึงห่างฝั่งตึ่งออกไปไม่เกิน15เมตรอันเป็นบริเวณประหลันตื้นๆที่มีน้ำแฉะใต้ต้นใสใหญ่น้ำได้โคนบริเวณนั้นแตกกระจัดกระจายปิวว่อนด้วยการฟัดฟาดของเจ้าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกตัวขนาดเรือจ้าง เสียงขู่กำรามอย่างดุร้ายกะหายเลือดของมันดังประสานไปกับเสียงร้องแหลมของหมูป่าผู้ซึ่งบัตดนี้ถูกงับคาบกลางลำตัวดิ้นกระเดวอยู่หมูตัวนั้นเกลื่องโขทีเดียวแต่เมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าของฟันเลื่อยที่ขยั่มมันไว้ในปากขณะ น, นี้ก็มองไม่ผิดอะไรกับเห็นจิ้งจกขาบตะกะแตนตัวเล็กๆมันสะบัดฟาดฟาดอยู่ไปมาอย่างรวดเร็วดุ ด, ดันกระทบกับรากทายและหมู่ไม้เล็กๆที่ขึ้นอยู่ในน้า เหมือนเจตนาจะให้หมุนตัวนั้นยุติการดิ้นรนอย่างเด็ดขาดแล้วกระชากตะกุยลงไปในปักโคนห่างโคนต้นไสรออกไปน้ําบริเวณนั้นตื้นเพียงข่าร่างของมันจึงปรากฏเห็นชัดเต็มตัวอย่างถนัดหางลักษณะเหมือนใบเลื่อยตวัดฟ้าดูโครมครามอย่างน่าสะพริงกลัวเลือดของหมูกระเซน็นแดงฉานเปือะไปทั่วใบไม้และละลายอยู่ในน้ําอันขุ่นคลับตัวมันสีดําสนิท เป็นเกล็ดหนาขรุขระหน้าเกลียดหน้ากลัวยิ่งมองดูเหมือนขอนไม้จมน้ำผุๆหากจะไม่เห็นอากัปริยาที่มันกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในการสังหารเหยื่อเช่นขณะนี้มันเป็นภาพที่สยดสยองพองขนยิ่งยิงนะชายยานร้องขึ้นกระหืดกระหอบพร้อมกับประทับจุด 6.00 นในโจแต่เชษดฐาเร็วกว่าคว้ารากล้องปืนของชยยานกดต่าไว้พร้อมกับห้ามเร็วปือยาปล่อยมัน ชายยานชะงักทุกคนยืนนิ่งจับตามองภาพนั้นด้วยอาการก้านลมหายใจต่อไปดารินผู้กระชากปืนสั้นออกจากเอวก็พลอยชะงักลงด้วยเพราะเสียงห้ามของพี่ชายแล้วก็สังเกตเห็นพรานใหญ่ไม่มีปฏิกิยาเช่นไรนอกจากจะยืนดูอยู่เฉยๆเซี่ยวของวินาทีต่อมันเองเจ้าสัตว์ร้ายแห่งบึงมหาการก็วิ่งน้ำแตกโครมคลืนกระชากเหยื่อตะรุยลงไปในส่วนลึกดำเลนพงไม้น้ำ มองดูผาดผาดเหมือนจะแทรกแผ่นดินหายไปต่อหน้าต่อตา อ, อ, อ, อ, อย่างหน้าหวาดเสียวเสียงโครนเดือดปุบปุดแตกพรักขึ้นมาเป็นพายฟอดละคนไปกับเลือดเสียงของหมูป่าขาดหายไปในทันทีที่ถูกบทจมหายลงไปใต้เลนเหลวเละมีแต่เสียงสำลักแทนและชั่วอึดใจต่อมาก็เงียบสงบลงตามเดิมคงทิ้งไว้แต่รอยเลือดและพลายน้ำที่เดือดฟอดอยู่เช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างรวดเร็วฉับพัน ราวกับเป็นภาพฝันร้ายที่มองเห็นการเชื่อพลิบตาเดียวดารีนครางอะไรออกมาคำหนึ่งหลับตาลงอย่างสยดสยองเหลือที่จะกล่าวภาพที่เห็นกับตามันสั่นประสาทของหล่อนเป็นอย่างยิ่งแทบจะไม่เชื่อสายตายว่าเจระเข่ตัวใหญ่นั้นคาบหมูป่าแทรกเรนหายไปต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรทั้งทางที่มองเห็นว่าน้ําบริเวณ น, นั้นไม่ลึกหรือกว้างใหญ่อะไรนักชัยยันเองก็รู้สึกคอแห้งผาก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 ดารินพูดขึ้นด้วยเสียงแหบเครือยกมือขึ้นรูปใบหน้าแต่สบายได้ว่าเหตุการณ์คราวนั้นก็ยังไม่หวาดเสียวหน้าขนรุกเท่าข่าวนี้ถ้าภูมิประเทศเป็นน้ำลึกแล้วไอ้แค่ตัวนี้กัดหมูลากลงน้ำไปก็คงไม่น่ากลัวเท่าไหรน่นักรอกแต่นี่มันเป็นปลกเลนเหมือนขาบหมูมุดหายลงไปใต้เลนได้ยังไงเห็นแล้วขนรุกหมูตัวนั้นถูกกดจมหายลงไปใต้เลนทั้งเป็นๆกว่ามันจะตายคงทรมานยังบอกไม่ถูกทีเดียว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 กว่าสายตาระแวงไปรอบๆแล้วดึงไรเฟิลประจํามือของหล่อนที่ฝากแง่าสายให้สะพายไว้มาถืออีกครั้งรีบหลีกไปให้เสียพ้นพ้ๆเร็วๆเถอะไปฆ่าลูกอ่น อ, อนของมันตายหมดแบบนี้ประเดี๋ยวแม่มันก็ตามมาเท่านั้นหญิงสาว พ, พูดหวาดๆเพราะความไม่ประสาทุกคนหันมามองดูหลอนแล้วหัวเราะไปตามๆกันพี่ชายสงสารก็เลยกระซิบบอกให้ว่าธรรมชาติของจระเข้ไม่เหมือนสัตว์ ร, ร้ายลูกอ่อนอย่างอื่นหรอก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 ดารินอายจะหน้าแดงไม่รู้ว่าตนเองปล่อยห้าแต้มออกไปถนัดใจเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการค่อยๆชำเรืองไปทางพรานใหญ่เบาใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเขาวางหน้าเฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียแต่แล้วก็มโหจีขึ้นมาเมื่อได้ยินเสียงชายยานหันไปแกล้งพูดเบาๆกับพระพินโดยเจตนาให้รอนได้ยินถนัดแปลกแต่จริงนะผู้กองคนขนาดมาสเตอร์ดีกรีเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์มือชั้นเกียรตินิยม เป็นนักมนุษยวิทยาที่กําลังจะได้ดอกเตอร์ดีกรียอยู่รอมรอกลัวแต่แค่ลูกอ่อนจะตามล่าสงสัยเมื่อสมัยเด็กเดกวิชาธรรมชาติเกี่ยวกับสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกคงจะไม่เป็นท่าอย่างนี้หวานเลยยังหลอกได้อีกนานนะักคนเรามันไม่ฉลาดรอบรู้ไปหมดเสียทุกสิ่งทุกอย่างหรอกชัยยันนักมนุษยวิทยาผู้เสียเชิงกล่าวมาห้วนห้วนพยายามจะระงับความเดือดดานไว้ฝืนหัวเราะหึ่ห คุณด้วยในพรานใหญ่ระพินและขอให้รู้ไว้เสียด้วยว่าทั้งสองคนนั่นแหละตอนที่บาดเจ็บไม่สบายหรือตอนที่ทําท่าจะตายอยู่นั่นน่ะฉันแกล้งเอาน้ํากรรไกฉีดให้แทนยาเสียหลายครั้งแล้วโดยหลอกว่าเป็นยากันบาดทยักบ้างยาแกป้ปวดแก้ไข้บ้างแล้วมีปัญญารู้บ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอย่าทําเป็นหัวเราะเยาะดีเปียถูกสอกลับเอาแบบนั้นเล่นเอาชายยานคลางอ๋อยหน้าแย่ไป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 มีพี่ใหญ่คนเดียวเท่านั้นที่ดีกับฉันช่วยบอกให้หายโง่นอกนั้นมีแต่จะหัวเราะเกิดกับแง่ท า, ายก็เหมือนกันระวังให้ดีเกิดกับแง่ท า, ายผู้ยิงฟันยิ้มอยู่หยุดยิ้มทันทีทำหน้าเรียเพราะพลอยฟ้าปล่อยฝนไปด้วยเดินรุดหน้ากันไปอีกเพียงไม่กี่ก้าวท่ามกลางผงอ้ออันหนาทึบของชายฝั่งด้านขวาต่างก็ได้ยินเสียงอะไรชนิดหนึ่งวิ่งตะกายกรอกสวบสาบอย่างรวดเร็ว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 ที่พรานใหญ่หยุดชี้ให้คณะนายจ้า ง, งเขาสังเกตดูถิ่นที่มันขึ้นมาวางไข่และกรบไว้พบลูกขนาดเล็กๆของมันครานอยู่ตามพื้นน้ำแฉะๆอีกหลายตัวไม่มีใครสนใจกับมันนอกจากชายยันจะบ่นไปตลอดทางเท่านั้นว่าเสียดายแหล่งอันแทบจะได้เรียกว่าขุมทรัพย์ย่อยๆนี้ยิ่งนักเมื่อเห็นความชุมอย่างเหลือขนาดของเจ้าสัตว์ที่หนังมีราคางาม ครื่อชั่วโมงต่อมาก็ขึ้นเนินป่าร่วงสลับไปกับไม้ใหญ่มองเห็นพวกนกน้ําสีขาวสลับดําเกาะแน่นอยู่เป็นพืชส่งเสียงร้องเกลียวกล่าวแซ่สนันไปทั้งดงพื้นที่เคยเป็นที่รุ่มชื้นแฉะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นดินลุกลังสลับไปกับโขดหินตกิตะกะพวกเมฆไฟป่าออกลูกแดงฉานเป็นโดงอยู่อีกทางฟากหนึ่งแดดยามบ่ายจัดทอดแสงอ่อนเรืองลงทุกขณะและเพีนเร่งฝีเท้าขึ้นอีก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 ที่ห่างออกไปประมาณ40เมตรและโดยระยะใกล้เพียงแค่นี้ไม่จะเป็นต้องอาศัยกล้องส่องทางไกลเลยก็มองเห็นชัดอยู่ว่าบนแก่งหินที่เรียงรายอยู่กลางน้ำแทบทุกหย่อมมีมจระเข้ขึ้นไปนอนพึ่งแดดอ้าปากอยู่เต็มไปหมดราวกับใครมาแกล้งป้านประดับเอาไว้แต่ละตัวมีขนาดกำลังว่องวประปริยวทั้งนั้นหน้าสั้นหักยู่เขามาราวกับหน้ายักษ์เขียวขาวโผล่ยาวมองดูเหมือนใบด้วย เห็นแล้วชวนสยองขวัญนายจ้างทั้งสามพอมองเห็นข้าวก็แทบจะหมดศรัทธาจะไหวเลกผู้กองชา ย, ยานคลางออกมาปาดแขนเสื้อเช็ดเหงื่อหน้าผากเมือมองไปยังฝูงชาลวันที่นอนพึ่งแดดดูเป็นพืชอยู่บนหินงอกกลางน้ำแทบจะไม่มีที่ไหนว่างนอนพึ่งแดดเห็นเห็นอยู่นั่นก็ร่วมยี่สบสตัวแล้วซุกอยู่ตามชายฝั่งสองข้างอีกละ่ะ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 แต่ระพินแตะริมฝีปากโบกมือเป็นสัญญาณให้เงียบตนเองเคลื่อนห่างออกไปอีกทีละก้าวกว่าสายตาไปรอบด้านอย่างระมัดระวังท่ามกลางความใจเต้นระทึกนึกเดาอะไรไม่ออกของทุกคนประมาณ 7-8 เมตรที่ร่างของพรานใหญ่เคลื่อนห่างฝั่งออกไประดับน้ำาทีมเอวของเขาอีกก้าวเดียวที่คืบไปเบื้องหน้าเท้าเหยียบพื้นเบื้องล่างพลาดเซไปเล็กน้อยน้ากระฉอเป็นรรอขึ้นและปรากฏเสียงดังขึ้นเบ า, เบา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 คณะนายจ้างทั้งสามดึตาโปรงในคำพูดของหนุ่มชาวดงพเนจรห่าแง่ทายแกอ่านความคิดพานใหญ่ได้ยังไงชายยันร้องออกมาเร็วปือยังไม่ทันจะขาดคำเสียงกระสุนจุดหนัดหนึ่งก็ระเบิดขึ้นสถานป่าดังอยู่รังเนินไม่ห่างออกไปนักทั้งหมดพวดขึ้นยืนและตามเสียงปืนไปโดยเร็วอึดใจใหญ่ก็มองเห็นรพินยืนอยู่ในพุ่มไม้ดินปราตอนหนึ่ง